ก <c oughs> นทำกันตอนเยินเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติที่เรากำลังทำอยูน่นี้เอาธรรมะไรเรามาฝึกกรรมฐาน ทำฐานในการกระทําทำในการกระทําฐานหรือที่ตั้งที่ตั้งของการกระทาทําอะไรทาการคือขยายรูปเหมือนการท่องจอมให้มันติดถ้าความรูปกับกายที่ติดกันแล้วมันไม่มีโอกาสเป็นอื่น ที่ไหนก็ที่นั่นตัวชื่อว่ากายเราคือความรู้สึกผัวเหมือ น, นกับการท่องจำจริงๆตาวิตาเขาวิกตาสังวรสันติทำให้มากเริยนให้มากเมื่อเราท่องหนังสือเคยอ่านหนังสือธรรมะ สมับวดใหม่ๆให้มีไปเพราะต้องใช้เทียนเทียนก็สีออกเทียนสําเร็จรูปทุกเหมือนทุกวันนี้ไม่มีสมัยก่อนไม่แต่สีออกเอาเทียนมาตากชื่อเทียนเป็ดสุดขี้พึ่งมาติดๆมาตากแบบแล้วเ็าได้ เ, เช่นผูก เพื่อนๆเป็นรอกับพายแปลงกันในว่าธรรมบ้านมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดกเราก็เลยเอาแบบไปเอาแบบไปท่องว่จาจะร้อยจุกมันจะเป็นยังไงเราไม่ขีดไปมากับผงนัน กำมันหาสิบกามานั่งท่องท่องวันแรกแ้จบจบหนึ่งแล้วก็มีฉีดออกทิ้งเลยจบอีกสองจบก็ลิุ้้ฉีดกบมาเสรยกออกไปโดยล้อยจบปีดเลยวังที่ทุกวันนี้ยังเจ็บตันงสีกันอยู่นี่แสดงว่าไม่เคยยด อรอกอยกว่านก็เะตดบวดได้เสียงวันนะนั่งซื้อตังวันตนะิ๊กปากทะทุกวันเลยเยอ ะ, ะหรก็หลังสมณสมุทโธปคุวาะผู้มีพระพุเจ้าตัดตัดตัดไว้ดีแล้วเป็นพระหาังเหมือนกันหมดพรหลังก็คือต่คนปิ้ลลเปิเปทุกขึ้นจะีไปเลยมันบอกทิ๊กกอกทาง ก็ไปนี้อีกไม่นาน <c oughs> จะได้ธรรมจักรม า, า, มาตั้งไว้ที่หมีโกมให้พวกเราชาวสุโกัตสวดธรรมจักรร้อยจบทุกงชีวิตเลยให้ชีจงวะสงในลวาวธรรมจักรตั้งขึ้นมาเราจะร้อยจบเราก็ติดเลยติดแล้วมันเป็นไร ติกายติกสติมไม่ใช่ธรรมดาเสีแล้วสติคิดกับจิตใจไม่ใช่ธรรมดาเสีแล้วบาอาจารที่ไปพูดเอาคาพูดที่เป็นภาษาธรรมะไม่ใช่ธรรมดานะมันมีอะไรที่ไปไกลกว่านั้ น, มนไมนใช่สนทาสารเขีกก้วหรือขุนทอง ยิ่งเรามาปฏิบัติเนี่ยยิ่งมาเห็นเนี่ยเป็นเส้นเป็นทางเป็นดันน้มดัไป <c oughs> ยิ่งชัดเจนไปเมื่อมีสติมันก็อะไรไปกำกับได้หลายอย่างเหมือนองตาพู่นวันก่อนว่ารู้จบทีภวมูที่ดี มีอะไรที่มาเกิดกับความกังวลใจน่มีชีพูมรู้ก่อนแล้ว <c oughs> ดีไหมเหียน <c oughs> ชีพูมจะมีจนนานแล้วดูจกแล้วรู้จบว่น้าโดยสั่งปรูจบทางการโดยรู้จักเบื้องต้นรู้จักที่สุดตัว เหมือนคนจนมาในทางใดจากหนึ่นของตาไปเกาะตระกูลโต้โดยขึ้นเรือนั่งเท่าเรือมีเรือจอดอยู่จะไปเที่ยวตระกูลโต้ตมเ่เรือก็บอบบยังไปไม่ได้ขึ้นยังหนัมากที่นั่นที่เช้านอนจะบอกแล้วก็นั่งอยู่ในที่พัก มาเรือก็มาบอก ไ, ไ, อไปได้เร็วหน่อยเจ้าคนนี้ไม่ได้นะแล้วก็าบ่ายก็จุดเทียบเ้าเลอาเสด็จเรื่อยๆจนต่มทำเกือบจะลงไม่ได้ <c oughs> นี่ผมกลัวว่าชาคนนี่จะ ไ, ได้ทำไห้ก็ยังู้เด้งอย่างนี้นได้เขาตํา น, นักทำมาเป็นพื้นที่ทำมาเป็นชายภูมิ เมื่อวานนี่ก็เปเห็นลูกหลานเขาเรียงนายเรือมาทหารเรือเดินนี่ก็กหนักขับเือใหญ่เรือสิบห้าไ้หลายประเทศแถวขบวาเขาลูาา้จกักมีเลยหน้าบอกมีคำนวนบอกดูแผนที่โลกตรงไหนต้อบอกเรือ จินข้าเยขนาั้นเท่าสนะพรทธวจน <g ül> แล้วก็ ม, มานเขาเรยียนมมรู้เลยพระฌานจะตีมันก็คู่กับกายเนาความหลงความทุกความปกดความไมต่างๆกาติตีได้คู่กับกายก็จะเราทะลุทะลวงในทางไม่สะดุดติดหน่อยข้ามได้ มันเป็นทางบอกไมีหลงก็ไม่หลงไม่โกรธก็ไม่โกรธมีทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเป็นทางไปช้าใจหลงเป็นหลงไม่ถูกต้องที่สุดเลยนะไม่ทุกข์เป็นทุกข์ไม่ถูกต้องที่สุดเลยถ้ามีสติยิ่งมีสติเป็นกรรมฐานด้วยมีการจะทาเป็นัวีเชื่ยแอบเดียวเลยเส้นผมรับนิ้มือเดียวก็ว่าได้ให้มันติดนะ มันเป็นคู่กันอยู่ของทั้งหลายทั้งปวงเนยนีครามองหลงก็มเครื่อไม่หลงนะนี่ครามองทุกข์ไมีความเปไนทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้จริงๆมีเครื่องหนาวก็มีของอบุญของอบุน่า้จากอะไรเยอะแยงอ้ามบ้างสีไฟบ้างอต่างๆนี่เครื่องรดก็มีความองเดือดร้อนเดือดร้นได้จากอะไร ไม่ใช่ร้อนลวไปสิ่งภัยมันก็ไม่ถูกต่อคนที่โกรจะเป็โกรธก็มไม่ยุต่อแต่ร้อนแล้วก็อาศัยความเย็นโดยนด้ำสองบ่ด้วยน้ำบ่เข้าร่มเข้าเงาว่หนาอย่างไม่จนเลยเราไม่จนต่อควาร้อนเไม่จนต่อควหนาวแม้แต่วันว่าก็จะไม่จนนะผนตกก็เข้าร่มเดียนจะ้นที่ทำให้มันระเจยคนนนดีนะ มีคู่อยู่ที่ไหนอันี้คู่ที่น่าคิดจะยิ้มก่อค่มันหนุ่มก็มีความอิม่มแต่ไม่หนุก็ไม่อิ่มนะอะไรที่มันจะอิ่มเมันก็รู้จักเองไม่มีอนกันมาบอกหนข้าวกับจงข้าวไม่ตีก็จะรู้จัก เวลาไม่หิวเขามาออแม่อ้อพ่อพอทำอือ่ออนก็ยังไม่หยุดบอกว่ามหิวข้าวหิวข้าอยู่มารอให้นจนได้ชินข้าวโอมันเป็นธรรมชาตินะจรงิจงจริงจะบังคับให้รทุกข์ได้ังไงช่วงทุกข์จะบังคับให้เราโกรธได้ยังไงจะระวางขับให้เราหลงได้ยังไงนี่เราเป็นกรรมฐานกรรมฐานนันเป็นอย่างนี้นะ จับเลขจับชิ้นอย่างนี้นะก็มาถามนี่จะท่องจะจำไม่ได้ต้องมาโตมาติดอ่อนมาให้มันติดอ่อนแบงกันกันธรรมาดาหิวข้าวยังมีคนหาข้าวไปกินหนาวยังมีคนเอาข้าวมันหงายปลอกไปแนะ่บางที <c oughs> มีคนหมายด้ว่า อย่ากเราจะไปอยู่แต่ว่บ้านขุงหนถุกมีมีแปลนให้ทำนะถ้าทำไมถูกแปลนก็ไม่ให้อยู่แล้วมีใต้ดินใต้ดินมีน่องน้ำร้อนมีบนบ้านมีเตาไฟไวไประชุมกันกับพ่อคนหลังลไม่ใช่เป็นน่อง ได้ง่ายต้องเกาะปอยเขาตองนีท่อไฟเฟื่อนหแล้ ว, วมว็เขี่ยทานออกมาแล้วก็นั่งคุยกันกินน้องชาบางแถนเขยแค่แล้วมานั่งที่ไม่มีกองไฟไม่ได้เจ็ดขาต้องไปนั่งใกล้กองปอยได้ความบุญจากปอยเดียร์ร้องก็ได้ควาบุญจาเอใช่ไห เอุ่นนะฮ่าื่อจะร้อนมันนอยฮ่าฮ่าอ่ายนก็ดีดีแต่ตัมมันนะน้อยเวลามันจะหนาแจกอะไรกันอุ่นตัวเงาตอเย็นเราปิดรับอย่างเงี้ยไม่มีใครจะมาไหว้หัวนอนหลับน่ท้าจะ้ําแจ๊กขึ้นมาเองได้เวลามันรู้จักเบาอุณหคูมันบาเรนร้อนเร ถ้าถึงเรดนร้อนก็ปรับเป็นเย็นสองสองสองร้สั่งมาอีกหน่อยนะเดี๋ยวจะหาพัดมาถือก็ละลันะเดีนี้เป็นถีอพระองนะอีกสองเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยพัดลจะคอยใช่หรือต่าจาหน้าจีติดทุกสัปเหร่ยังไม่คอนเงิอไหลนะอีกจะเตือนสองเงินรับ มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาตินั่นแหละในชีวิตในโลกนี้แลนวมีความเกเรเป็นธรรมดาจะลงม้วนความเกเรไปไม่ได้แล้วในความเจ็บไข้ธรรมดาจะลบพุ่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้แล้วมีความตายธรรมดาจะลงคุ่งความตายไปไม่ได้อะไรมันตายความเกเรมันเจเรความเจ็บมันเจ็บความตายมันตาย มันเป็นอย่างนั้นอันเพราะว่ากรรมฐามมันจะเห็นมันเป็นเห็นแจ้งควเสียเป็นทุกข์ควเจ็ไม่เป็นทุกข์เราเจ็บเป็นทุกข์ควเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์กรรมานจะทำเอาม น, อนันคิดเลยเลยโฉลเลยตอนนี้พูดก็ยอดจงไปคิดได้เลย คิดความเก็บอย่างงดงามสงหาริคิดความตายอย่างสงหารกำมะถันเปียนนั้นนะมาก็รู้จนแต่นี้แล้วถึงกายที่ชิงที่มันเกิดกับกายที่อกว่ามน า, ามากมายไม่ใช่กายนะนั่นเป็นจักแต่ว่าเวทนาแล้วก็ว่าได้ อ๋อดังนั่นสติะมักข้อที่เจ็าหมนีม่สติอะรวมภาพเจีนชุเป็นอย่างไรเลาอานนีก็ยาปั้ลที่มีสติเห็นกาอยู่เป็นประจา ใช่คิว่าการนั้นเื่อจัดรูปคนจนเราเขาว่าเอาอย่างนี้เกิดบ้านสติจริงๆไปเห็นไม่ใช่มีคาพูดเบทนามันหลามาดไปอันสัตย์ ก, กายเป็นเดียวมันกงที่เกิดไปนะเป็นสุขทุฒ์มากนับไม่ไหวมันก็สัจจะว่าเวทนาดุขก็ตามทุกข์ตามยังไม่สุขม่ทุกข์กตาม ไม่ใช่สัตุคคลตัวตวโนเราทําไมมันจะไม่เหนือการเกิดเกิดตายมันบอกไปทำไมี่ยกิดก็เฉพาะจิตอันเดียวกิดเนี่ยอันทำมันที่แล้เกิดเกิดจิมันมาละทั้งหลายทั้งหลายทำที่เป็นทำทั้งหลายเป็นทำทั้งหลายอยู่เป็นไเจามันหลายทำเป็นผู้ชนก็มีเป็นอัตถุชนก็มี เป็นบุเป็นบาปเป็นความงุกเป็นความเจลาเป็นความผู้งซ่านเป็นความสงบมีเหมือนกับทั้งหลยทั้งหลายมันเกิดที่จิตอย่าไปถือว่าเราอย่าถือว่าเป็นจิตอันควรเก็บมันเป็นละลายความเจียมเป็นละลายไม่ใช่เรื่องทั้งหลายนะมันอันเดียวทั้งอันหลยควรเจียมทั้งหลายความเก็บทั้งหลาย อันทีววเจ็บก็คือเจ็บอันชีวทุกขคือทุกข์อันทีวไม่ทุกข์คือไม่ทุกข์มีสองอย่างตรงนี้เหมือนกะมีกัางวันไม่กลางคืนในความรอไในควหนาวในควาเหิียวมือความอิ่มอันชีวอะไมก็ได้ตรงก็คดีในครามเจ็บก็มีควไม่เจ็บในควาเจ็บก็มความไม่เจ็บในความตายก็ม่ควไม่ตายอย่างเนี้ย มันไม่มาต่า <c> ง <oughs> เหมือนกับว่ามันเกษกันแล้วกระดินจะติเนี่ยไว้แล้วดูจบชีพมิแล้วไปไกลด้วยช่องไปแมมยังไม่ถึงก็ไปถึงแล้วคำนวณขนึ้นนไปเรื่องเสษียณ ในความร้อนมัคนควเย็นแม้ยังไม่เย็นมันต้องเย็นแน่นอนถ้าไม่มีร้อนมันมีเย็นมันเป็นไปไม่ได้ก็มีเก๋ก็ต้องมีไม่เกแน่นอนก็เแสไปแล้วต้องมีคติแล้วมีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์แน่นอนมันต้องติคิดได้แน่นอนเรื่องอย่างนี้เชืนอหรือเป่า ต้มาถามศักดิสิทธิ์ใครจะเป็นมาเป็นไงไนไม่ต้องมาเอาอ้างันถ้าจะทุกข์มาอ้ายงยามเฉยกับลงตาเลยโงกว่าทุกข์ทุ ก, ท, ก, ท, กทุกชาติเป็นลูกขกองพ่อตาลิจา พ่อไปตายในลงในป่าหนีบ้ามาใหมนาดังไม่มีทุ่งนาสักศกหนึ่งวานึ่งเมตาไม้จากที่ปลูกข้าวทั้หน่อยก็ไม่มีนะข้าวป ว, ว, วดต้องคืนมาหาเอาป้ายเก่าหกสิบกองใช่ไหมไมี่คีไี่ขับรถมาไกลไหมน้องเลือถึงเส้นงค้อไกล้หมหกสิบ เอาข้าวนะเหมือนคนหลงกลเนาะใครๆก็มีมาอยู่ใหม่ไม่มีใครมีข้าวมีแต่กลับไปครับเอาว่านเขามากินไปหาไปตำเอาไปเ ข, ข, ข า, ากบวาอหามาสามกีบกงงเลยนอนทางขึ้นหนึ่งนะดูที่เออสามกีบกิโลเนี่ย หามาส0มสิบสสิบห้าสิกิโลนอนทางขึ้นเหนือรองเท้ามันมีนสมัยก่อนนะเตือนวที่สายร้ อ, ร อ, อนตลอดนะนี่เคยเคหาข้าวถึงสิบกว่าโมงขนาดห้าสิบกิโลเ อ, อ, อ่ขอาข้าม้าเสกเดียว ถือเป็นเรื uh à, im, ho, kun, kun ่องปล่อยตอนเด่กแ่มาโหมเปียกกะดาไหก็ต้องโหมผมจะ่แ้กคอนหนาวตออยู่ร่มอุ่นก่มปายดินหน้างก้อนแห้งก็อุ่นได้นะแต่อะไรที่เป็นคนทุกข์ทุกข์ก็อะไรยิ่งให้ความัน้ำลยทำาเราเชื่อมแข็งอกคนความทุกข์ทำใ้เราเช่นมแข็ง เลยเป็นคนไม่กลัวทุกทั้งหมดทุกอดย่าไม่กลัวเลยชู้นะอยู่นี่ไสมสิสิบ่อนสึ่งข้าวแจงแกเหนือแจงเหนือจุ่ไรจเหนือไสาราิงเช่นเฉียวเขียวในหน้าอาวแกงจุ่มไห ตจงนะเค่ทำไหมมะขามป้อมราบนะแค่วันแห้งก็ราบกินนะเจรการก็ราบนะออนบของสาใลราบมะขามป้อมกินเนะี่ยรับรองว่าดีกวจะอกินะถ้าสือบอกว่ามะขามป้อมให้เธอช่วยทำ้ปาันกนะิเนยรับรองว่า อาชริลงแจงปลาละาปลาเลยนะนั่งปลาก็าาทำกินเอา้าชีบั่ก็ลาทำเอานั้ปลาก็น่องเพื่อใสยน้ำนครึ่งปีเผยเสื่อสามถ้วยต้มให้มันเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็ ขั่วพัวกรเทียมเจน้ำตาลสกันทุกกระเทียม <c oughs> เด็กแตกเอาไปขัวเส่น้าตาแล้วแต่เราเจะเอาสีมาดไหนแน้าตาลไมส่สีนะขัวใส่กรเทียมพอใส่กรเทียมมาไปลงในปี๊บน้ำตาน้าน้ำเสลือ น, ะ น, นั้นคนไม้มาเข้ากันวางไว้ เย็นแล้วก็องใส่ขวดจะ ต, ต้องกินให้หมดแายในไม่นานนะทำเท่าขวดสองขวดยาชีฝันก็เอาเกลือรสองส ว, นสวนสาช่วงวนหนะังกะตุกเอาสาช่วงโมกระตุกเพื่อก็จะตุกไข่หมอใส่กระเบื้องคัวควา สารเเวลาถูกแหวนมนจะละลายนะตอนไม่ละลาย ต, าต้อคนโฉกโฉบอยากให้มันเป็นขอนดีถ้าเป็นข้อมันมันจะไม่ไม่ฉุกโฉบโฉบให้มันขึ้นของตัมันศัตรูมันไหมพอสมควรแล้วมาป่นเปลือก็ป่สนสารพวกพวกปนเอากระปุกรผสมพอสมอควรพอเป็นพอ ม, มีรถดีดีเย็นเย็นหําหอมแค่ไ ทุกวันนี้ก็ยังใช้ในแต่เมล็เป็นหมดนะทุกอย่างเขาขวามจนเป็นใต้ก็เป็นช่วยแม่นะเย่ยงอ้อนก็เป็นช่วยแม่นะทําข้า ว, ป, าว ป, นนะาปัดข้าวเป็นนะพวกเราเนี่ปัดข้าวที่ไนนะครับอย่างนี้ไม่จักสามมีนเป็นทุกอย่าง ลายไม่แผยไม่แผยรำนะะ mm. Tokyo, ี้เจ้าราคาจะพันบาทก็ได้นะไม่ไข่ยป้องนี้เจ้าจะครึ่งร้อยบาทก็ได้แล้วไอ้คนหนึ่งแค่เข้าก็เข้าแค่พอถึงเวลานึ่งเราจะสารหมวดสารหอยเสร็จพร้อมก็นกับข้าวออนก็ดีถ้าทายกันนะจะมั่นครันนะ ก้อนหนึ่งชิ้นข้าวใช่มก้อนหนึ่งเจ็ตัวเจ็ดตัวสามวันพอข้าวเลยนะเกอพอข้าวมันอ่อนนะเออข้าวเสียใจได้กนดีนะใช่ไหมก่อนเ า, นานแข่งกันกันยังไนะไอ้คนหนุ่มทำอย่างนี้ไม่ตึไม่ได้เียนัะนใช่ก่น <laughs> <laughs> เล่นสาวก็ว่าจะไปนั่งคุยกัน้าไปฟันเชื่อ เอาพ่อสาวเชื่อมากให้ดบเชื่อเสื่อวันบิดได้มากก็ควนเชื่อแค่ของนมใช่คุยกันเสียเวลานะนั่งรถซ่อนได้กันอย่างนี้ไม่มีนะไม่ได้เดาดเชื่ออนนงอนสมนตัวะคุยปวดเฉ่กบจนทำเราเสื่อแข็งมันทุกข์นี่แหละทาให้เราได้พุนมันได้แท่ อย่ากวัวตุ๋ลุ ก, กได้ด่ายุ้นได้ก็จับพักพูดพักทาก็จงเดยดดูจักรศาสตรนาลงพ่อเทียนได้ยินคนพูดหลง พ, พดเตียนว่าจะสอนเรื่องนี้มาต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือมากใส่ไม่คนเว็นหมอขอจาผมไปเรียนหมดครับจ่า กันนา้าลูกก็เรียนเรียกว่าเทวดาทูตอนเช้าวนน่ะเรียนไ ด, ด้จั้งแเป็นเด็กน่ะวัวตกต้นลูกถต่เส้นขุดเกิดเขาวิงคา ถ, ถออทท า, า, า, าท้บพทูดเทวดาทูดน่ายังไงมันชี้ไหนชาติบิดุกาอะไรแล่เราเต้งเกิดจํารา แต่ต้องพก็เกิดไปไมาได้เนี่ยพระเาบารีว่าไงปีนี้นี่นอันเนี้ยเป็นยงไ้างเห็นคนแก่เ็ธรรมดาเนี่ยเรียนนะไปเป็นคนเกิดต้องว่าบารีฉบับเนี่ยเป็นคนแก่ก็ต้องว่าบารีฉบับเนี่ยเป็นนักเดียนเห็นคนแก่ไปโรงเรียนเห็นคนแก่เดินมานั่งลงนะอืมเราปิทุกขา่างๆอะไกันนั่งเห็นคนแก่บ้าง เห็นคนเจ็บกต้องว่าก่าเทวธรรมเทวทูตนีเห็นคนตายก็ต้องว่าเทวทูตถ้าเห็นคนเกคนเจ็บคนเจ็บตายไม่ว่าเทวทูน้อยได้เทวทูตตุกนรกคนเจ็บโราณสนนรกโอ้โหโกนนรก้สใตนก็ตามไม่เห็นฉวนนี้มีแลกเป็นจุดทั้งหมดเราหลักฐานโจ้มาปุ๊บคนลงคนเทียน ขอใจตนาะขอใจขอใจยุดนไนนะไม่สนใจคนระูอาจารย์ยังอีกแล้ววนะันประเดี๋ยวนี้อยากจะตะโกนอยากจะบอกให้ทุกคนได้ยินได้ฟังมันมีอยู่ครูเรามีเรามีสิทธิ์ที่มีครูนะ <c oughs> เห็นต้งรู้อต้องรูมา ถาเาช้เจ่งก็ครูพาเราเกงถ้าล้วดีกับพ่อแม่พาเราดีแต่เราพนทุกคนโศกรไปไม่เหนือเหนือการเกิดเจ็บตายพอทีเจ้าพาเราอจหนือไนี้รัไม่ใช่อะไรแ่ไหนมีแค่พ่อพ่แม่รงมีมือห้นี้สิบนิวนี้ลูกทาน้ทาทาได้มาจากข้อจากแม่ จะไม่เอารูกพนามไปทําชั่วจะรูกพนามทํานำทำคนดีสําเร็จได้ลูกนาม น, นี่ทําร์าำดีเลยสําเร็จทำบาร์รับคนชั่วเลยสําเร็จรูปนามนี้ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่รักเราพ่อแม่อยากให้เราเป็นทุกพ่อแม่อยากให้เรา เ, เป็นคนดีเราก็ทําคนดีทําได้จริงๆนะไม่ดีเปยนตนเองไม่ดีเป็นคนอื่นทําได้จริงๆนะ เชาเลยแน่นอนไม่ดิเป็นตนเองไม่ดิเนคนอื่นนี่ยทาได้จริงๆพ่อแม่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกโกรธทีเีโกไม่ได้ทุสารต่อแม่พ่อแม่อยกากใหโกรธพแม่อยกากทุกข์เอพ่อแม่มันมีแล้วิจาร์รักษาพ่อแม่อยู่ใ น, นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ย อยากจะตะกวนบอกให้ว่าแม่ทุ่มค้าน้ำลงแล้วลูกของแม่อยากจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยไปนะเพราะแม่าพาเราดีเพราแม่พาให้เราอะไรครับป้าของช่วยถึงตรงดีมีศาสนามีคําสศนัทายุนี้สมัยนี้สำหรับกายตักใจสำหรับลูกของตามีหมดมมีโครงไหนที่ติดป่องนำฟา้า โมกผิดโมผูกไยหมดเลยจะไปที่ไหนอีกบ่หรอหานะใครที่ไหนอย <c oughs> ู่ในตรงนี้ให้มันเนบ่งบานถึงที่สุดถือกายไปธรรมชาติอยากมีแต่มาอนสายความโกรธมันเต็มมาแรงมาอนสายความทุกข์ความหลงเต็มมาแรงมาอนใจสติเป็นการรักษาสิ่งเหล่านี้มันจะงอกงามขึ้นมา เธอโตโอ่โผได้ในตนเซอี่เป็นเป็นม้กเป็นคนถึงจะดูฟินนนู้นะแต่เราไม่ชอบใชนะอาจจะเป็นเวลาอะไนี่รักผมด้วย